ท่านพาหันเนี่ยสมัยพุ้ต ก, การพุทธ ก, การเนี่ยเวล า, าบรรลุแล้วไม่ใช่ว่าท่านจากพระพุทธเจ้าไปไหนใช่ไหมท่านก็ติดตามฟังธรรมท่านบอกว่าพระาหัาานชอบฟังธรรมมากในบรรดาผู้ชอบฟังธรรมเนี่ยพาหันจะไขในการฟังธรรมกับพระองค์อื่นทั้งหมดด้ยจําไปนะท่านเห็นคุณของการฟังมากให้ดีนะฟังธรรมนะฟังธรรมหมายถึงฟังอะไรเอาตัวนี้ครั้งหนึงฟังอริยสัจจะทำเนีนะ คำว่าฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฟังอย่างอื่นนะแต่หมายถึงฟังอริยสัจเรียกว่าฟังธรรมเพราะธรรมหมายถึงฟังสัจจะทำสี่ประการฟังวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาฟังอย่างนี้เรียกว่าฟังธรรมแต่ไม่ใช่ว่าชั่วโมงจริงล่ะเรียกว่าชั่วโมงฟังธรรมแต่ว่าเดรัจฉานกระถาอันนี้ไม่เรียกว่าฟังธรรมฟังภาษาดีบุตรชอบฟังเ่ แล้วก็ที่เราฟังเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วนะฟังไปเถอะขนาดฟังแล้วยังไปเจริญไม่ได้ไปตรึกไม่ได้จะกล่าวไปยัยถึงไม่ฟังเหมือนกันอืมนี้ต่อไปนะว่าการฟังพระสัตธรรมชื่อว่าสวนะัสดคือคนที่ฟังไว้เยอะๆนะคนที่เรียนพระไตรปิฎกเรียนธรรมะเอาไว้เยอะนะแต่ถ้าฟังเนี่ยคนเรียนไว้เยอะกับคนที่ไม่เรียนเลยไหนเข้าใจมากกว่ากันในการฟังเหมือนกันไนหะ คนที่พเป็นพหู้สูตรเนี่ยเวลาฟังทำนะจะเข้าใจมากกว่าคนอื่นถ้าอย่างอย่างของเราเลยเนะอย่างให้เจ้าพนามาฟังเนี่ยอธิบายได้ที่ไหนแต่อาจารนันติฟังปั๊บอธิบายได้มัน ก, ก็แตกต่างกันอย่างเงี้ยในเรื่องเดียวกันนะพูดจบปับ๊บอาจารยนันติอธิบายได้เลยแต่เจ้าพนาก็บอกอะไรเลยครับอย่างเงี้ยยัม่นั่งง่วงก็ดีลนะน้องชายไม่ใช่ใครทีนะา นี่ต่อไปนะอย่างที่สี่ก็บอกว่ากรถาเป็นเครื่องวินิจฉัยคันธีบทและอัฐบทในพระบาลีและอัตกระถาเป็นต้นชื่อว่าปริปุชขาคําว่าปริปุชขาเนี่ยแปลว่าโดยศัพท์เนี่ยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์สิริเพชรชัยอให้คำอธิบายว่าปรารถนาจะเข้าใจเนื้อความรอบด้านคือปรารถนาจะรู้โดยประการทั้งปวงเรียกว่าปริปุชขา ที่ที่เรานิยมแปลกันว่าสอบถามแต่โดยความหมายมายถึงว่าความปรารถนาจะรู้รอบด้านหรือปรารถนาจะรู้โดยประการทั้งปวงเรียกว่าปริปุชฉาถามว่าสิ่งที่อยากรู้อยากรู้เรื่องอะไรก็อยากรู้คันธิบทอัถบทวินิชยกถาที่แปลว่ากระถาเป็นเครื่องวินิจฉัยคันธีบทและอัถบทคันธีบทเนนี่ยะเน้น ถ้าว่าไม่ย่อๆเลยก็คือตัวพระไตรปิฎกเรียกว่าคันถีบทอัตกถาเรียกว่าอัตบทซึ่งคำอธิบายหมายถึงว่าบทที่มีเนื้อความเข้าใจยากเรียกว่าคันถีบทบทที่มีอธิบายเข้าใจยากเรียกว่าอัตบทเ น, นะนื้อความเข้าใจยากกับอธิบายยากนะะพวกนี้เรียกว่าคันถีบทกับอัตบท นั้นหมายถึงว่าการกล่าวคำตกลงโดยพิสดารแห่งอัดที่จะพึงเข้าใจยากทั้งโดยเนื้อความและโดยอธิบายชื่อว่าคันทีบทอัถบทวินิชยกะถาฉะนั้นต้องรู้จักสอบถามเอาเอาพุทธพจน์มาสอบถามนะเช่นเอาพุทธพจน์บทนี้หมายคำว่ายังไรเช่นสมัยพุทธกาลก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่ามารชื่อว่ามารด้วยเหตุประการเท่าไรน้อแลจึงชื่อว่ามาร ผู้การตอบได้เลยมานเนี่ยด้วยเหตุประการเท่าไหร่ชื่อว่ามารนะเพราะว่าผู้ตายหรือเพราะว่าผู้ทําให้ตายใช่ไหมจึงชื่อว่ามารผู้ตายหรือผู้ทําให้ตายเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันท่าขันท่าเราะขันท่าตายนะั่นแหละเรียกว่าผู้ตายหรือเพราะขันท่าเนี่ยเพราะมีขันท่าจึงตายหรืออย่างพระนนไปถามมาฆ่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าโลกชื่อว่าโลก ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอแล้ชื่อว่าโลกก็เพราะสลายไปเนี่ยจึงชื่อว่าโลกถามว่าอะไรสลายนะ่ะจากขุ่สลายไปโซตะสลายไปนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละชื่อว่าโลกเพราะอัตถาว่าสลายไปแต่ถ้าคําว่าสลายไปกับคําว่าไม่เที่ยงนี่อันเดียวกันนะแต่ถ้าไม่เที่ยงแล้วต้องต่อด้วยคําไหนถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงก็งสิ่งนั้นเป็นทุกข์กันไหมคุณอยู่แนวเดียวอะเอาใหม่เอาในอื่นบ้าง อะนนั้นคำว่าสลายไปหรือไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งนนเดี๋ยวเยเรียนไปข้างหน้าจะมีนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งอัน Hyundai. <prompt> อนัเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเรียกอนิจจังสังขตังปฏิจจธรรมังขยาวยาวิปริณามธรรมังเนี่ยนะทั้งสิ่งใดไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น เพราะสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะมันถูกปัจจัยปรุงแตง่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเพราะมันต้องอาศัยการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะอย่างฟังธรรมเนี่ยนะใครจะฟังได้ย้อตลอดเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งเนี้ยถูกปัจจัยปรุงแตง också, ่งเนี่ยนะหมดปัจจัยคือหมดเวลาก็ น, นะถ้าท่านไม่เลิกเทศเดี๋ยวโยมจะไปเอง โยมมีธุระแล้วนะเหมือนกันนะก็เป็นแบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใช่มหมย้อนมาทบทวนนะว่าการสอบถามเพื่อจะให้รู้เนื้อความได้โดยโรอบเนี่ยนะการไข่ครวนแบบนี้บ่อยๆผู้นั้นจะได้ปฏิสัมพิธาภาษาริบุตรนี่เป็นคนชอบถามนะเคยเห็นภาษาริบุตรถามตัญหาธรรมะไมอย่างท่านถามพระปุณณะมานตานีบุตรบอกว่า ท่านอาบุโสท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคหรือใช่ไหมท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อศีลวิสุทธิ์หรือบอกไม่ใช่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทิฏฐิวิสุทธิ์หรือไม่ใช่เงี้ยนะพระภาษาพระมหาสารีบุตรท่านก็ถามไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรือพร้าโกฏิตะท่านถามภาษารีบุตรเนี่ยนะก็มีการไต่ถามกันนะมีการสอบถามกันนั้นการสอบถามกันเนี่ยเรียกว่ายังจิตให้ร่าเริงสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอนุรุทธาพระกิมมิละ พระอะไรนี่อยู่รูปหนึ่งเห็นไหมนันทิยะหรือพระอะไรรูปหนึ่งมันมีสามองค์สามองค์เนี่ยท่านจะอยู่ในท่านเจริญกรรมฐานอยู่ด้วยกันเสร็จ แ, แล้วโดยมากทุกองค์เนี่ยหลีกเร้นไม่คุยกันท่านห้าวันท่านจะคุยกันครั้งหนึ่งแต่คุยกันทั้งคืนเขาบอกว่าฟังธรรมทุกห้าวันฟังทั้งคืนน่ยคุ ย, ยสามคนนั่นแหละ บอกว่าสนทนากันนะของเราเอาสูตรใดสูตรหนึ่งไนงะของท่านเอาปิดกใดปีดกหนึ่งมาสนทนากันนะทุกห้าวันนะท่านฟังธรรมกันขนาดนั้นแต่ถ้าธรรมดาไม่มีการคุยกันไม่ไม่คุยกันเลยของเรานะท่าเคยฟังธรรมทั้งคืนบ้างนะแต่ถ้าดูหนังทั้งคืนนี่เคยไ้ยนะพอมีบ้างอนยะ่างนะึ นีอต่อไปนะครับปุพโยคะว่าการบําเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนืองๆจนกระทั่งถึงสังขารุปเปกขายาณอันเต็นที่ใกล้อนุโลมายานและโคตรภูญานเพราะความที่การบําเพ็ญวิปัสสนานั้นอันพระโยคาวาจรเคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชื่อว่าปุพโยคะโดยเฉพาะถ้าอสีติมหาสาวกเนี่ยสาวกผู้ใหญ่แ80ดิรูปเนี่ย ท่านเหล่านั้นเคยบำเพ็ญขตะปัจจาคติกวัฏมาทุกรูปเลยวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับหรือวัดในการบริหารกรรมฐานถ้ามหาสาวกทั้งหมดนี่เคยเคยบำเพ็ญขตะปัจจาต ะ, ะปัจจาคติกวัฏวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับกันหมดทุกคงในเทระคาถาท่านแสดงไว้อย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บาเพ็ญ หรือพระประเจกพระพู้ศรัทาทั้งหลายท่านก็เคยบําเพ็ญเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าเป็นปุพพโยคะปุพะโยคะโยคะก็คือการประกอบส ม, มถาวิปัสนาปุพะแปลว่าก่อนเพราะฉะนั้นก็เคยเจริญส ม, มถาวิปัสนามาก่อนหน้านี้หมายถึงชาติก่อนๆชาติที่อยู่ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะบางองค์เนี่ยทรงพระไตรปิฎกมาเจ็ดพระองค์อย่างเงี้ย ทรงพระใจไปดกกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเจ็ดพระองค์บางคนเนี่ยโอ้โหปฏิบัติจนตายเนียในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพวกนี้จับบรรลุ ป, ปฏิสมัมพิธาได้ได้เร็วกว่าเพื่อนนะบรรลุ ป, ปฏิสมัมพิทาง่ายมากแต่ว่าได้สังขารุปเปกขาญาณก่อนนะถามว่าเนีเนี่ท่านบอกว่าอันเป็นที่ใกล้คือหมายคำว่าเหลือแต่มรรควิถีเกิดอนเนีย ไม่ไม่คําว่าใกล้ในที่นี้แปลว่าไม่ใช่มรรควิถีเกิดคือคือเกือบมรรควิถีเกือบเกิดอ่ะเหลืออีกวิถีเดียวเกือบเกิดเลยอ่ะแต่ไม่เกิดเกือบอะนะเกือบบรรลุเลยอ่ะ <S <S เหมือนกันอะไรเกือบสอบได้เลยอย่างเงี้ยเอาไหมใกล้เลยนะเกือบนะวันนี้สอบเกือบได้เลย ก้นพวกนี้ก็คือกลุ่มที่เจริญวิปัสนาเกือบบรรลุพูดแบบภาษาไทยๆเราอ่ะบอกเกือบบรรลุเลยอ่ะแต่ไม่ได้บรรลุหรอกถ้าใช้คําว่าเกือบเนี่ยโอ้โหเหมือนจังเลยนะซื้ออะไรมาเหมือนทองแสดงว่าไม่ใช่ทองนี่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะว่าเกือบบรรลุเลยอ่ะก็แปลว่าไม่ได้บรรลุนั่นเองแต่ว่าจนถึงสังขารูปเปกขาญานเนี่ยนะหมายถ้าว่าระดับสังขารูปเปกขายานเนี่ยนะเป็น เป็นการหาทางที่จะปล่อยสังขาร น, นิมิตอะแต่มันปล่อยไม่ได้อันนี้จังงานทุกขังอนาตานะพิเภกวนอยู่นั่นแหละเกือบเกือบหลุดแล้วไม่หลุดเลยนะเพราะหมดอายุสะก่อนตายสะก่อนแต่ว่าหลายรูปนะที่ไม่ได้บรรลุถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นนะปรารถนาเอีตคัคขะเอาไว้ เมื่อท่านตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้เนียท่านไม่ได้บรรลุอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าปรารถนาไวน้นะสําหรับผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วไม่ใช่ฐานะเลยคืออย่างไรเนี่ยท่านรักที่จะเป็นเอตทัคคะแบบนั้นมากกว่าที่จะบรรลุ ก, ก่อนหน้านี้เพราะพระพุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์ผู้ที่จะบรรลุในระหว่างเพราะฉะนั้นพวกท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้บรรลุในาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนื่องจากความปรารถนา ความปรารถนาอย่างเช่นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะด้านรัตตันยูเมื่อท่านปรารถนาเป็นรัตตันยูนี่ยท่านจะบําเพ็ญสมณธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านก็ไม่ได้บรรลุท่านางเขมาพระนางปนนางปตาเจรานางอุบบนวน า, นาเถรีนางวิสาขานี่ยเนยีเป็นลูกของพระเจ้ากิงกิที่เมืองพราราณสีเนี่ยนะประพฤติโกมาริพรมอาจารย์อยู่สองหมื่นปี จะไดก็บาฟังทำสมัยนั้นเนี่ยนะสมัยที่ธงชัยพาถันเนี่ยกว้างขวางาศาสนารุ่งโรดมากแต่ว่าไม่มีใครได้บรรลุเลยเพราะท่านเหล่านั้นคืออะไรคือพวกจะได้รับเป็นเอตทักคะในในาศาสนานี้เพราะจิตของท่านไม่น้อมไปเพื่อจะบรรลุเนี่ยนะไม่ไม่น้อมไปเพราะฉะนั้นความตั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดพูดง่ายๆเ ง, ง, งดดี่ยบวชดีไหมดีทำไมไม่บวชอะไรงี้ นนะก็ถ้าบรรลุหลังผู้การก็การก็มาช่วยกันบนะ้างนึงไปอย่ไปคนเดียวล่ะทีนี้ต่อไปนะว่าในบรรดาเหตุ5้าเหล่านี้เนี่นะเหตุสามอย่างเหล่านี้คือปริยัติสวนณปริปุชชาเป็นเหตุมีกำลังเพื่อความแตกฉานคือใครที่ ท, ทรงปริยัติฟังธรรมแล้วก็สอบถามมากนะผู้นี้จะมีปฏิภาณมาก หรือมีมีปฏิสัมพิษธแตกฉานกว่าคนอื่นเห็นไนะส่วนกุบปปะโยค้าเป็นปัจจัยมีกำลังเพื่อการบรรลุหมายถึงว่าถ้าคนไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนไม่ได้เจริญสมถาววิปัสนาเอาไว้เป็นอย่างดีนะไม่ได้บรรลุหรอกทีนี้เขาตั้งคาถามว่าหมวดสามแห่งเหตุมีปริยัตเป็นต้นย่อมมีเพื่อความแตกฉานไม่มีเพื่อความบรรลุหรือ ตอบว่ามีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะปริยัติสาวนและปริปุชฉาจะมีในปางก่อนหรือไม่ก็ตามแต่เว้นการพิจารณาสังขาร เ, เว้นแต่การพิจารณาสังขารธรรมด้วยการบำเพ็ญเพียรในปางก่อนและการพิจารณาสังขารในปัจจุบันเสียแล้วเนี่ยชื่อว่าปฏิสัมพิทาก็มีไม่ได้